พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่ยี่สิบเอ็ดโดยหลวงพ่ออินทาวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สองพฤศจิกายน2556หมีชื่อเรื่องว่าไม่มีใครจะรักเราเท่ากับเรารักตนเองวันนี้เป็นวันที่สอง พฤศจิกายนพุทธศักราช2556เป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน11แรม14ค่ำเดือน11เป็นวันพระเป็นวันอุโบสถวันพุงนี้วันที่วันที่3เป็นวันอุโบสถเพราะนั้นพวกเรา คณะาาศรัทธาญาติโยมที่หลวงพ่อมองเห็นหลวงพ่อก็เห็นเออวันนี้ทําไมมีาาศรัทธาญาติโยมมามากกว่าทุกวันพอมาดูแล้วก็เป็นวันพระเนีหลวงพ่อลืมไปทางวันพระนะคณะาาศรัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะมีภารกิจธุรกิจอยู่แต่ถึงยังไงพวกเราถึงวันพระอย่างนี้แหละอย่างวันนี้แหละถึงวันพระแปดค่ำสิบห้าค่า ก็ให้ถือเสมือนว่าเป็นวันสําคัญเป็นวันปฏิบัติธรรมแต่สําหรับหลวงพ่อเองเนี่ยไม่มีวันพระไม่มีวันโยมไม่มีวันไหนทั้งหมดหลวงพ่อประกอบคุณงามความดีตลอด24ชั่วโมงรักษาศีลตลอดสม่าเสมอทั้งหลับทั้งตื่นทั้งหลับก็มีศีลตื่นขึ้นมาก็อันไหนผิดอันไหนถูกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังหลวงพ่อได้ศึกษาวิายัยพระสงฆ์ อันไหนไม่ควรทําอันไหนควรทําอักเกตอัมบัติเล็กอัาบัตน้อยอันไหนเป็นอัมบัติอฐ า, านนี้จากกลุ่มใหญ่ไปหากลุ่มเล็กเป็นอัมบัตทุกกฎอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อได้ศึกษาหมดในหลักธรรมวินยัยแต่จําได้หมดไหมมันคงจะไม่หมดเพราะว่าวินัยมีตังเยอะแยะวินัยอัมบัติทุกกฎเนี่ยแต่ศินสองยี่สิบเจ็ดนั้นหลวงพ่อคิดว่าสวดได้จําได้นะ เพราะนั้นพวกคณะทายาิโยมพวกเราท่านทางหลายถึงจะไม่ให้ศึกษามากก็ให้ศึกษาในข้อปฏิบัติเจ็ดวัน เ, เป็นวันพระอย่างนี้แหละหรือสิบห้าค่ำแปดค่ำสิบห้าค่ำก็เป็นวันธรร ม, มัตสวรรค์สำหรับพวกคณะทายาิโยมผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าบริษัททางหลายคนในบริษัททางหลายในวันสำคัญก็ควรจะเข้ามาศึกษาเข้ามาไต่ถามในบริษัทของตนเองแล้วก็มาประกอบคุณงามความดีใส่ใจของตนเองในวันรรมัสวัสดคือ8ค่ำส15หาค่ อันนี้แปลว่าเป็นผู้ใส่ใจเป็นผู้สนใจเป็นผู้ให้ความสำคัญในพระพุทธศาสนาให้ทำความสำคัญในพระธรรมคำสอนของพระพุทธทเจ้าให้ความสำคัญในพระัรมเทสนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำอบรมสั่งสอนพวกเราไม่ใช่ว่าเป็นเราเป็นพุทธพุทธแต่ในทะเบียนบ้านเท่านั้นนับถือาศาสนาพุทธก็ไม่เคยเข้าวัดว า, าศาสนาไม่เคยได้ยิน พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไม่เคยศึกษาเลยในหลักธรรมคําสอนแปลว่าเป็นพุทธศาสนาในทะเบียนบ้านไกลๆห่างๆไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั้นเราควรจะศึกษาพอเราเป็นพุทธบริษัทในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักสําหรับฆรวาวาสญาติโยมก็คือเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่สําหรับพระสงฆ์ที่อยู่ ภายในเข้ามาบวชเสียสละทั้งภายนอกเสียสละทั้ ง, ท, งทางโลกหน้าที่การงานทั้งหมดเข้ามาอยู่เป็นพระสงฆ์ยูนิฟอร์มก็อันเดียวไม่มีสีดำสีเหลืองสีแดงไม่มีไว้ทุกไปในงานมงคลอัปมงคลในงานตายก็ใส่ชุดนี้ในงาน รับเสด็จเจ้าฟ้าเจ้าพินกับชุดนี้ไปณสถานที่ใดๆก็ใส่ชุดนี้คือชุดนี้เป็นชุดที่สูงสุดเป็นชุดที่พระพุทธเจ้าประทานเอาไว้เมื่อสองพันกว่าปีและให้แล้วให้พระสงฆ์นี่ว่าพระสงฆ์ที่อยู่ภายในอยู่ในอยู่ในอยู่ในยูนิฟอร์มนี้ปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ปฏิบัติตนอย่างไรให้รักษาศีล 227สิเ็ัมเนนรักษาศินสิบอันนี้คือสินและจากนั้นกับภาวนาก็เหมือนกันแต่สำหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมทานและก็บสินภาวนาทานพวกเราในฐานะเป็นครวัตญาติโยมมีพี่ลูกมีหลานมีพี่มีน้องวงสาคนายาตมีประเทศชาติบ้านเมืองเราต้องมีการเสียสละ ต่อชุมชนกลุ่มนั้นในเมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วสมัยก่อนเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่อาศัยพี่เลี้ยงอาศัยคนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้ใหญ่กว่าที่เราช่วยตนเองไม่ได้ต้องอาศัยท่านเหล่านั้นเป็นผู้ให้ทานคือฐานะผิผู้เสียสละให้เราเราไม่รู้อะไรไม่รู้เดียงสาภาวะเราก็ต้องได้รับการเสียสละจาก พ่อแม่พี่พี่น้องๆ้องญาติโกโหติกาที่ผู้เกี่ยวข้องเสียสละให้กับเราให้อาหารเราดูแลเราเราก็ได้รับความเ อ, อื้อเฟื้อเอื้ออารีอารีจากท่านเหล่านั้นแนวทานะคือท่านเสียสละให้กับเราในเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมารู้เลียงสาภาวะช่วยตนเองได้เมื่อช่วยตนเองได้ก็ออแล้วก็ส่แสวงหาทรัพย์ แล้วเราก็ต้องมองช่วยคนอื่นอีกเหมือนกันช่วยลูกของเราช่วยหลานของเราช่วยพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ของเราที่เท่าแก่ชรานี่ยหลัการเสียสละจุดนี้แหละคือในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะว่าทานะคือการเสียสละจาค้ะเนี่ยคือการเสียสละทำให้ปัจจัยสี่ข้าวน้ำโพชนาอาหารผ้านุ่งหม่ม ยาแก่โรคภัยไข้เจ็บที่อยู่อาศัยสุดแท้แต่เราจะให้อะไรกับผู้มีพระคุณเหล่านั้นอันนี้ว่าฐานะให้อภัยทานอามิสทานธรรมทานวิทยาทานมันมีหลายอย่างนะอามิสทานก็คือให้ปัจจัยสี่อย่างที่ว่าน้ําโภชนาอาหาราว่าอามิสทานวิทยาทานให้ความรู้ เขาที่น้อยกว่าเราวิธีตัดผมอย่างนี้วิธียับผ้าอย่างนี้วิธีทำไร่ทำนาทำรัว้วทำสวนอย่างนี้อันนี้หราให้วิทยาทานกับเขาเพื่อให้เขาดำรงชีพยอยู่ได้ด้วยเจตนาดีของเราอันนี้หรอวิทยาทานอภัยท า, านเมื่อมีใครมาล่วงเกินเราเราไม่พอใจเราก็ไม่ถือโทษโกรธเคืองให้อภัยกันย้อน เนี่ว่าอภัยทานธรรมทานก็นอย่างที่หลวงพ่อแนะนําสั่งสอนนะลูกหลานคณะสัตยาญาิโยมทําตนอย่างนี้นะรักษาศีลอย่างนี้นะปฏิพฤติตนอย่างนี้นะ่ะคิดอย่างนี้นะ่ะทําอย่างนี้นะ่ะพูดอย่างนี้นะีจึงจะอยู่ด้วยกันด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถูกตามถูกต้องตามหลักธรรมคําคสอนของพระพุทธศาสนาถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถูกทํานองครองธรรม ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บรรพบุรุษของพวกเราแนะนำสั่งสอนมาปฏิบัติตนอย่างนี้อันนี้เรียกว่าแนะนำธรรมทานนี่แหละอันนี้คือทานะคือการบอกกล่าวอย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าอภิษทานวิทยาทานอภัยทานธรรมทานเีว่าทานะคือการเสียสละเนี่ยมันมีอยู่สามสี่อย่าง จากนั้นเรื่องศีลก็รักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลไม่ใช่รักษาใจนะศีลนก่นคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลอย่างพวกเราคณะาทายาิโยมก็คือศีลห้าเป็นพื้นฐานถ้าใครมีศีลห้าเป็นพื้นฐานแปลว่าคนนั้นเป็นคนดีเป็นที่ยอมรับของพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกประกาศไว้เลยว่า ผู้ที่รักษาศีลห้ามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่ในเมืองมนุษย์ก็ไม่ติดคุกแล้วไปสู่เมื่อตายไปแล้วก็ไปสู่สวรรค์ปิดอบายยพรโพธิ์ไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นเปรตไม่เป็นสัตว์ทิรฐิฉันมีแต่ไปสู่สวรรค์เท่านั้นผู้ที่มีศีลห้าพระพุทธเจ้ารับรองขนาดนั้น อ, อยู่ในเมืองมนุษย์ก็ไม่ติดคุกค่ะพวกเราคิดดูสิ สินห้าเนี่ยคุ้มครองตัวของพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูสิว่าสินห้าให้ศึกษาดูว่าศินห้าเนี่ยไม่ติดคุกได้อย่างไงอย่างไรถ้าคนมีสินห้าแล้วไม่ติดคุกอ่ะด้วยเหตุอันใดให้พวกเราศึกษาฮอพนนั้นเมื่อศึกษาเราเราจะรู้ได้ว่าโอ้ใช่สินห้าของพระพุทธเจ้าถ้ารักษาดีแล้วเนี่ยไม่ติดคุกไม่ติดตารางจริงๆเป็นคนดีในชุมชนสังคมจริงๆเราจะรู้ได้นะอันนี้ก็คือศิน สำหรับครวาตและขษีนอุโบสถคือศษีลแปดก็ 8, คือเป็นศษีลขัดเกลวเข้ามาอยู่ขี่าถือขาวดําหรือถือเป็นชีวิตนักบวชคือศษีลแปดคือเป็นชีเป็นเครื่องบ่งบอกว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มุ่งมั่นตั้งใจจริงที่เป็นผู้รักษาขษีรักษาขษลแปดหรือว่ารักษาขษีเพื่อจะชําระกายวาจาของเราให้บริสุทธิ์บริบูรณ อันนี้ก็คือสินแปะแต่สินส2ยีดหรือว่าสิน1ินสบเป็นสินสัมมานเณรอันนี้ก็คือมากต่อไปอีกคือมาให้ตัดสัมมเนเณรถึงเป็นลูกของพระไม่ให้มีไม่ให้ถือเงินถือทองไม่ให้งกถือเงินถือทองเพื่อเราอยู่ในป่าดงพงไปเมื่อถือเงินถือทองเข้าไปแล้วจะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตของเราพระพุทธเจ้าไม่ให้ เนีวาชาตรูพระชาชตาปฏิกะหาะคือมาให้รับเงินและทองอันนี้คือสินสิทธิ์สมณเนรสินของพระละเอียดเข้าไปอีก2ั้งองอยสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีให้เป็นพระที่ดีให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมสรุปแล้วก็คือทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากใหญทั้งหมดสินส2ยีคือสินมาในพระปฏิโม สินอภิสมาจารเนี่ยสินนอกพระปฏิโมกเป็นหมื่นนะลูกหลานคณะจตหายาดโยมลูกหลานที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังไวนะ้ที่ว่าเราเป็นพระในกลุ่มใหญ่ไปลงอุโบสถในกลุ่มเล็กอย่างไรมันสินในอภิสมาจาร์สินนอกพระปฏิโมกนะไม่ใช่ศินมาในพระปฏิโมกคนะปฏิโมก็คือเราสวดทุกวันพระเนี่ยสองยบเจนี่ยอันนี้ก็คือพระสงฆ์รักษาศิน อันนี้ก็คือทานศีลแต่ว่าทางพระเนี่ยว่าศีลสมาธิเนี่ยเมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องศึกษาเรื่องสมาธิเนี่ยศรัทธาญาติโยมศึกษาได้ไหมสมาธิใช่เป็นหน้าที่ของศรัทธาญาติโยมเหมือนกันสมาธิเนี่ยเป็นเป็นเครื่องอบรมทางด้านจิตใจถ้าว่าพวกเราไม่ได้ไอบรมทางด้านจิตใจจิตใจของเราปุ่งฟุ้งอยู่ตลอดเวลา จะหาความสุขได้อย่างไรในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าคนที่ปุงคิดฟุ้งอยู่ตลอดเวลาผลในสุขก็ได้ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวผลในสุขก็เลยเป็นบ้าเป็นบอเป็นประสาทไปได้ง่ายๆเหมือนกันเพเหตุไรเพราะใจไม่อยู่กับตัวใจไม่เป็นสมาธิเพราะนั้นท่านวิธีการฝึกสมาธินะทําอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าให้กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนะเป็นหลักนะให้สติอยู่กับตัวเอง บังคับให้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นนี่แหละอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านฝึกสติของพระองค์ที่โคลนต้นโพที่พุทธกยาจนท่านได้ตัตรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้ก็คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้า จึงว่าภาวนาหรือสมาธิให้เข้าจุดนี้ให้เข้าประตูนี้เหมือนเราจะเรียนกอไก่เราจะเรียนกอไก่เราจะเรียนภาษาไทยเราต้องเรียนกอไก่ก่อนกอไก่นี่แหละถ้าจะเราเรียนภาษาอังกฤษเราก็ต้อง A ก่อนนะและ B, ้วกับบีซีไปเรื่อย ถ้าเรียนภาษาจีนเขาต้องมีตัวหนึ่งขึ้นต้นซะก่อนอันนี้ก็เหมือนกันนะก่อนที่เราจะเรียนสมาธิทําจิตใจให้สงบเราต้องมีจุดหน่วงกําหนดลมหายใจเข้าให้มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าให้ลมนะหายใจออกในมีให้มีสติในการก้าวเดินขาขวาก้าวขาซ้ายก้าวก้าวขาขวา ก้าวซ้ายก้ากวขวาก้าวซ้ายก้ากวขวามีสติสัมปชัญญะในการกา้าวแต่หลวงปูมั่นท่านนำมาประยุกต์ใช้อีกว่าถ้าเราดูแต่ว่ามีสติสัมปชัญญะอย่างเดียวมันหลุดได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายท่านจึงให้บริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้มีพุทโธด้วยเถิดสำรับสำทับด้วยพุทโธหายใจเข้า หายใจออกโถให้บริกรรมแต่ไม่ต้องออกปากอยู่ในใจหายใจเขา้ารู้ว่าหายใจเขา้าแต่ว่าพุทธหายใจออ ก, กรู้หายใจออกแต่บริกรรมว่าโถพุทโทพุทธโถในเวลาเรานั่งสมาธิอันนั้นแหคือการฝึกสติเบื้องต้นเหมือนเราเขียนกอไก่อย่างที่บ้านจากนั้นก็หายเวลาเราเดินเราเดินเราจะไปจับลมไม่ได้แต่เนี่ยมันอยู่ในจมูกของเรามันจะเปิดได้ง่าย ก้าวกำหนดใช้ขาขวาขาก้าวเดินขาขวาพดขาซ้ายโถนะพดโถนะอันนี้คือวิธีการฝึกสติกับตนเองจากนั้นเมื่อเราทํางานเราจะทํางานก็ให้มีสติอยู่กับตนเองวันเดี๋ยวนี้เราทําอะไรเดี๋ยวนี้เราทําอะไรขณะนี้เราทําอะไรเราทําอะไรพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรคิดอะไรคิดอะไรทําอะไรอันนี้คือมีสติอยู่กับตนเองอันนี้เลยกว่าให้มีสติสัมปชัญญะ ในขณะที่ตัวเองอยู่ในขณะไหนคู่ไหนเวลาไหนอยู่เดี๋ยวนี้มีอะไรให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองอันนี้เรียกว่าพิธีการภาวนาเบื้องต้นจากนั้นก็เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเราจังค่อยสอนพระพุทธองค์จึงค่อยสอนทางวิปัสสนาต่อไปอันนี้คือสมมะาเมื่อทำจิตใจให้สงบ เป็นพื้นฐานแล้วค่อยเดินสมถค่อยเดินวิปัสสนาเนี่แหละที่หลักทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าทานสำหรับฆราวาสญาติโยมเพราะมีการทำมาหาเลี้ยงชีพทานศีลรักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถ ภ, ภาวนาเนี่ยแหละภาวนาเนี่ยกำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้า สําหรับพระศีลพระไม่ทานไม่มีเลยเพราอเขามาบวชเป็นยูนิฟอร์มนี่แหละไม่มีอะไรแล้วเสียสละตัดออกหมดแต่มีไร่มีนามีลัว้วมีสวนขะมอบให้ลูกให้หลานให้ครอบให้ครัวให้แก่ไครๆให้ทายาทไปหมดแล้วเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นแล้วก็พยายามทําตนให้เขาเลี้ยงง่ายอีกเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นแต่ทําตนให้เขาเลี้ยงง่าย เขาให้อะไรมาก็ชั้นของดีมาเก็ดชั้นของไม่ดีมาเก็ดชั้นได้พอยังป ร, ประทางชีวิตเท่านั้นเองนี่แหละชีวิตของนักพจนนักพรต น, นักบวชนะอันนี้ก็คือศีลรักษาศีลเลยนะไม่มีทานและก็ภาวนาทําจิตใจให้สงบกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวอันนี้แหละหน้าที่ของพระสงฆ์หน้าที่ของฆราวาสญาติโยมพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ ให้ปฏิบัติตนอย่างนี้ต่อไปก็เป็นคนดีแล้วท่านแอบเป็นคนดีอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานบอกว่าไม่มีใครที่จะรักตนยิ่งกว่าตนแอบพระเจ้าประเสณไปกราบพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีใครที่จะรักตนยิ่งกว่าตัวเองใช่ไหมพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์กล่าวสุนทรพจน์เลยะประกาศกล่าวสุนทรพจน์คือความจริงจังและจริงใจเช่ใช่ใช ไม่มีใครที่จะรักตนยิ่งกว่าตัวของเราเรามองไปในทิศทั้งสี่ไปมองไปนานาทิตย์ที่ไหนก็ตามไม่มีใครที่จะรักตนยิ่งกว่าตัวตนยิ่งกว่าตัวของเราในเมื่อเรารักตนแล้วก็ไม่ควรจะเบียดเบียนคนอื่นเพราะเขาก็รักตนเหมือนกันเพราะเขาเหล่านั้นก็ทุกคนก็รักตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ควรจะ เมื่อตัวเองรักตนเองแล้วไม่ควรจะเบียดเบียนคนอื่นเขาพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นมาพิจารณาดูจริงไหมจริงในเมื่อเรารักครอบครัวของเราเราจะไปเบียดเบียนครอบครัวคนอื่นเขาถูกไหมในเมื่อเรารักสมบัติของเราเราจะไปขโมยเพชรนินจินดาเงินคําทรัพย์สมบัติของคนอื่นเขามันถูกไหมมันไม่ถูกแต่ตัวเองของตัวเองก็ยังรักเนแล้วจะไปเบียดเบียนคนอื่นเขาได้อย่างไรเนี่ยแหละ เพราะฉะนั้นเมื่อเรารักของเราอ่าเขารักเราเราก็ไม่ควรจะเบียดเบียนคนอื่นเขาเพราะคนอื่นเขาเขาก็รักของเขาชีวิตของเขาฮะหลวงพ่อเลยเปรียบเทียบให้ฟังถึงใครจะว่ารักรักกรุกรักเมียรักอพี่รักน้องรักพ่อรักแม่นั่งเรียงเลียงกันอยู่ใกล้ๆกันหัวเขาหัวเขาชนกันทั้งหมดฮะ ถ้าดอกไฟตกมาใส่ขาตัวเองเลยซิตกใส่ขาลูกด้วยตกใส่ขาพ่อแม่พี่น้องลูกเมียโดยสามีภรรยาทุกคนตกมาใส่ขาเนี่ยเราจะปัดขาใครก่อนฮนะเออเราจะไปปัดขาลูกก่อนเพราะเรารักลูกอย่างนั้นใช่ไหมให้ไฟไหม้ขาตัวเองก่อนใช่ไหมคงจะไม่เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อว่านนะพอมันไฟไหม้ขาตัวเองก็ต้องปัดปุ๊บขาตัวเองก่อนเลยนะนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเพียงบอกว่ารักตนยิ่งกว่าใครอื่นนะ เพราะา น, นพวกเราให้จังเกต ด, ดูที่หลวงพอ่อพูดที่จริงไหมนะต่อนนี้ไปรับพร น, น, นะเจนีนะอนุโมธนาให้พร